คำบอกบาทและจีวรข้อ1นึ้อหในเบื้องต้นพึงให้อุปสัมปทาเปิกขาถืออุปชาครั้นให้ถืออุปชาแล้วพึงบอกบาทและจีวรว่านี่บาทนี่สังคาตินี่อุตราสง์นี่อันตรวาสงของเจ้าเจ้าจงออกไปยืนที่โน้น